ในธรรมก็ได้เขียนให้การเริ่มต้นภาวนาแล้วจะเริ่มด้วยธรรมบทใบสักทางเพราะในธรรมที่เกี่ยวกับอารมณ์ของใจตัวความสงบออนี้นั้นท่านอธิบายว่าทง40่ห้องหลังแต่ในสี่นั้นเราจะชอบบทใดเรานำบทนั่งมาทำธรามเลรรม โดยนำคำแบบนั้นนำโ r ่คำเช่นคุทโธเป็นต้นแล้วก็หนุนให้พุทโธให้มีให้จิดมีความรู้อยู่กับคนว่าพุทโธคือให้มีกสิจอยู่นั้นรู้อย่งนั้นคือคุณทำรที่เดียวพอเาสอเนี่ยเราบังคับไม่ให้มันรู้อย่างอื่นให้รู้อยู่เฉพาะคาว่าพุทโธนั้นละแล้วกระแสจิตจะค่อวมตัวกันรวมตัวที่สงบภาภาจิตสงบขึ้น ความสบายความแปกล ก, ล ป, กประหลาดจะปราบปรบถึงบางคงที่เราไม่เคยปรากปเลยถ้าดวงตะวันเปิดมาก็ํ า, ามเลยแต่เมื่อจิตสงบแล้วเราจะเห็นแปลปรหลาดทันทีกันหนและเกิดความอยู่บืนเกิดความสนใจขึ้นเป็นหนัำหนึ่งแลวยิ่งทำทำต่อไปได้ปาบปขึ้นเรื่อยมากน่าสนใจแลรนั่นต้องความสนใจนนนยิ่งจะมีมากความสงบนี่เป็นเป็นสิ่งที่จะทาให้จิตใจได้รับความแปลปรหลาดอักแรและความดยู่บืน มากมากครับตอนหรือม่สบายคืไม่สงบจิแล้าหาทางจาชความจุหาไปเวลาจิตมับวุ่นันมันก็เลยไม่เจอความสุความจุไม่อยู่กับวุ่นนันงวุ่นนี่นะมันสงบพอไถ้าสงบแล้วมันไม่มีอะไรควรมันสงบนะมีอย่างน้อยเอาแค่นี้ก่อนคือคาว่าสงบเนี่ยมันมันมีหลายชั้นนะสงบพอเบาเบพอสบายสบายสงบมากตรงนั้น สงบจนระทั่งมีความตึงตึงานและสร้างฐานด้วยความสงบขึ้นจากใจของตนจนมีความมั่นคงก็มีภายในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนภูเขาทั้งหนุ่มภายในไม่ใหญ่ไม่ไหญเพราะกวามสงบมิสร้างฐานขึ้นมาให้เป็นความมั่นคงภายในจิตสบายเย็นแล้วปัหาความขุ่นกันมากพอเจอความขุ่นตรงนี้แล้วมันก็มันก็ปล่อยละกัแล้วรู้เร่องอ่ะคุกอยู่ที่ไหนทุกอยที่ไหนเรารู้ความความความกัน เราหาความสุขตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันเกิดมาหาจนกระทั่งตอนนี้มันยังไม่เจอมีอย่างหรือมัอยู่ไหนสุขถามเจอเหรอเหตุใดจะไม่เจอแล้วคนคนหนึ่งพระพุทธเจ้าคนคนหนึ่งพระอรหันต์อรหันต์ท่านคนคนหนึ่งแล้วว่าคนคนหนึ่งท่านหาทําไมเจอเราหาทำไมไม่เจอหาเท่าไรยิ่งเพิ่มพุกขึ้นมาเราหามันทำไมไม่เนอนี่ก็เราหาทุกเนี่ยหาสุขหาสุขจุดนันก็เจอหลังน่าจะเจอความสงบสุขในใจนี้หนึ่ง แต่นั่นหรอกคำว่าความสงบนี่มีหลายท่านและละเอียดเป็นลํานับลำหนับความสงบนี่ละเอียดมากเลยความถุขก็ละเอียดมากเช่นนั้นเวลามันเจอสะตังตังแล้วมันก็ปล่อยซะตังตังเหมือนกันเข้าใจไหเหรือละไรๆกขคว้าหมดแล้วถึงนั่นแต่เรามันมันไม่มันไม่มีที่เกาะคว้านี่ระว่านี่เกาะนั่นวางนั่นเกาะนั่นจากนั่นเกาะนนี้จับนั่นปล่อยไม่เลื่อยเยพรมันจับถูกอันท้องพันก็่เกาะจาก ความสุขนี่ได้มากได้น้อยมันก็ปล่อยสิ่งภาย น, นอกที่พี่มันเคยมันเพาะว่าปล่อยมันปล่อยทางจิดนะไม่ได้ปล่อยยังช่างเข้าวกัไม่กินนอนก็ไม่นอนไม่ได้หมา ย, ยางนั้นนะมันปล่อยทางจิดต่ง า, งงางหา แต่เห็นจร่าเหลืออันทุกขนั่นแหละนันเรีกอ่ะแสดงว่าเท้าเนียนที่เดีนี้เยเราได้เห็นเหลือ เ, เท่เาไ ห, หร่มีแต่ทุกข์เท่านั้นมันเกิดขึ้นมันหนักไปเราได้เห็นเหลือตรงนี้งั้นถ้ายังไม่เห็นงัมันก็ทุกข์นั่นแหะบางสุขหรือว่าไงเอ <laughs> เปิดไปทีไรมนมีแต่ทุกข์อ่นยรอ้ไม่ไหวหนีลเฮะยถ้ภาวนาก็ไม่ไหวมีแต่ทุกข์บังเมืเชี่ยมันไปไม่ได้เฮ้แล้วผ่านทุกข์มันเป็นของทะลุไปเรื่ คือทุกขังอายะขจังทุกเป็นของจริงไอ้ล่าไม่ว่าทุกเป็ัขงจริงนี่ะว่าเข้าใจแล้วยังมันไม่มีอะไรมันมีแต่ทุกเกิดขึ้นแบบไปแล้วมันเห็นที่มันเกิดขึ้นแบบไปจริงเหรือถ้าไม่เห็นไปจัดกับใจนั่นแหละทุกจะจริงพอทุกจริงแล้วความรู้งมันก็จริงความรุ่งมันจะไม่หลอกตนเองนะ นี่มันทำไมทุกข์ไม่จริงทุกข์มนจริงอยู่ใหนเราไม่จริงต่างหากเนี่ทุกข์กษัตริย์เขาเป็นของจริงอยู่ใครจะรู้ก็ตามใครจะหลงก็ตามทุกข์ก็เป็นของจริงนั่นเองนั่นถ้าเป็นแต่เพียงจิตของเรารู้แล้วลรพลิกตัวของเราเนี่ยที่ใ้จิตมันก็เป็นของจริงพอจิตจริงแล้วทุกข์ถึงจะเกิดจิตมันตามเช่นในส่วนร่างกายเนี่ยก็ทราบมันทุกข์อยู่แต่มันไม่ระเทืนทั้งจิตทุกข์ใจแต่ตอนทุกข์กับใจนี่มันประสานกันเข้าเลยมันเหมือนหมเหมือนเหล้าอะไร ขึ้นแทงเข้าไปในหัวใจเดี๋ยวพอมันเข้าใจเรื่องทุกข์ถ้าเกิดแล้วทุกข์กับเรื่ทุกข์ใจก็เป็นใจต่างอันต่างจริงแล้วมันกระทบกันคมรำคาญมันกระทบกันทุกข์มันเป็นข้งจริงก็จริงอยู่แต่ใจรำคาอมมันก็ไปคว้าทุกข์เข้ามาแล้วก็ญหาว่าทุกข์นี่เป็นข้าศึกแต่ตัวเองความจริงตัวเองคว้ามาเฮ้ยพวามจริงแล้วนไม่ค้าต่างอันต่างจริงแล้วไม่ก็ทบกันทั้งว si ิ hmm. ใใ hta, ่งไลอยู recently, ่ ความจำหน้าเป็นอย่างหนึ่งนะความจำเป็นหนึ่งความจริงเป็นหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันที่เราเรียนทำเรียนมากเรียนน้อยเรียนด้วยความจำเท่านั้นความจำมันยังไม่เห็นความจริงแต่เวลาเราปฏิบัติล้วไปเจอความจริงเขาแล้วแล้วความจำมันก็ปล่อยขึ้นมาหมดแล้วเราความจริงเข้าใจเรื่องความจริงความจำมันต่างกัน การเคยพูดบทีพูดใหุ้จิตไู้หาฟังเนี่ยคือเราดูในตัวเราเนี่ยตนเราปฏิบัติไม่เคยได้แต่ดูตัวเราดูตัวเรานี่ก่อนอื่นการปฏิบัติการเรียนคือการเรียนทำภายในการปฏิบัตินีคือดูตัวเองเมื่อมีอะไรเป็นมก็รู้ถ้าเราจิตของเราอยู่ที่นี่แล้วอนาถันมันก็รู้ถ้าจากจิตของเราไม่อยู่ในนี้มุ่งค้นไมอยู่ในบ้านเนี่ะเขาจะมาขโมยโกงของไปหมดมันก็ไม่รู้รู้แต่ว่ากลับมาบ้านแล้วโอ้ยของหมด แม่ทราบวาใครขโมยอะไปคุณแม่ทราบคุณคุกขโมยเข้าไปหมดแล้วถ้าเราอยู่ในบ้านใครเข้ามาเขาเห็นถ้าจิตอยู่กับตัวแล้วอะไรผ่านผ่านออกมันก็เห็นผ่านข้อมันก็เีเวลาเราเรียนข้อารู้เรื่องของเรามันไปกระทบกับเรื่องอะไรข้อเห็นอะไรมันก็พ่อ ม, มันไปม่รู้มันก็พยายามแก้ไขแก้ไขเรื่อยๆเลมันก็รู้จากวิธีแก้วิธีจดเรื่องไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มกินข้ามาเริ่ ม, ร, ร, มรู้จากวิธีปฏิบัติกตัวเลย สิ่เป็นชาติศึกเราเราเริ่มยื้อยงกันกนะมีวิธีแก้ไขกันได้ทำไมรู้เรื่องรู้แต่ทุกข์ก็เสียไ่รู้ชาวิธีแก้ไขมันก็อยู่นั่นแนหะทุกข์มันพูดถึงเรื่องความจำมันขบขันจริงเนะ่ยอาจารย์นี่แหละเป็นนะแต่เราจะจะพูดแต่เรื่องเรื่องเรื่องที่มันมันขบขันให้ฟังหวนมาเรียนหนังสือได้มากสไลด์ก็ดีใจเวลาเราเรียนได้มาก เราต้อทตีได้ขี้เด็กขึ้นขนาดนี้เราดีใจเราไม่รู้ที่เด็กตัวนี้เท่านี้นะพอได้ทำโแล้วขยายตัวไปพอได้ทําเอกแล้วอ้าวสลาดิพักจะครับะพอได้มาหาถ้โอ้โหโลกนี้มันจะคับไปหมดแล้วเนี่ยมองไปนี่จะมาหาเต็มตัวมองไป น, นี่จะโลกของโลงฐานจะมองไม่เห็นมองเห็นแต่มาหาองค์เดียวนี่โอเรานี่มันเจ๋งขนาดนี้ได้มาหาเขาเนี่ยมันเป็นยังไงในะที่เด็กมันคองไปนี่คือความจถึงเนี้เวลาเราพยายามปฏิบัติปฏิบัติได้ไอ้เรื่องความพลอง ม, มันไม่ใช่ มันเขายุกเข้ามายุกเข้ามายุกมาเห็นโทษทนายม่คว่าปล่อยให้มันปล่อยมันไปเรื่อยๆแต่ปล่อยไปที่ไหนนันไม่ทราบนะอันนี้ไม่ขอเรียนนะครับแล้เราพูดนแต่แง่เรื่องมันจํามันเดีงั่นมันจําจำจนคองเข้าใจไหมคลองตัวใบมันจํายอะมากเลยมันพาไม่ตึงนะมันไม่คลองเสมอไม่ตื่นไม่ตึงได้ไหม ถ้าติมี่ผอมกินไม่หิวเช่นอย่างชาติครันเราเหิวมองเห็นใบไม้โอ้ยมัเหมือนจะเป็นผักว่ะใช่ไหมละ่ะเดินไปไหนถ้าถ้าเราเหิวเราใบไม้มั้นก็เป็นผักไปหมดนี่แหละบั้งที่ใบไม้ไม่ใช่ผักนะบางวัเน์เพศนั้นมันจะเป็นผักได้มันไม่ใช่จะเป็นผักทั่วไปหมดทั้งต้นไม้ทุกต้นนะแต่ความหิวนัรนบังคับให้ว่าเหล่านี้โอ้ยนักพานี้จะดีนั่นนี่ยใบอ่อนๆนี่นักหมดนั่นตอนนั่งกำลังหิวใช่ไหมละ่ะ อะไรมันคว้าหมกที่พอมันอิ่แล้วมั น, ม ก, มนก็รู้แม้จะเห็นว่าเป็นผักจริงๆใบไม้อันนี้ยอดไม้นี้เป็นผักจริงๆมันก็ไม่ไม่อยากเพราะถาาะ้ามันพอเข้าใจมันม <ver> ันอีกจิตก็เหมือนกันเวลานันไม่พอแล้วมันคว้าหมกคว้าหมดนี่เวลามาปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้ามันมันค่อยรับโภชรสข้าภายในใจจากความจริงซึ่งเราปฏิบัติรู้เห็นข้ไปเดินแบบนั้นมันก็ค่อยปล่อยมันไปเรื่อยๆปล่อยมันไปเรื่อยๆอยู่เมื่อมันอื่นเต็มที่แล้วมันจะปล่อยเต็ที่ เข้าใจเลยนั่นหลักความจริงเองน่นเองมันก็ไม่หิวหิวก็ถืงว่าที่นาที่อาจารย์พูดก็มีใจดวงเดียวนั่นแหะที่มันเป็นคลิปเป็นภัยอยู่ต่อตัวเราอยู่ทุกเวลามไม่ใช่อะไรนะถ้าจะว่าลูกมาเป็นคลิปต่อเราเสียงเป็นคลิปตัวเรามันก็ไม่ใช่เพระฉะนั้นที่เราถ้าถึงความจริงแล้วลูกเสียงกลิ่นรถเครื่องสั้งแผ่นมันมีอยู่ในโลกตั้งแมืม่อไร เห็นขมยเราเขายินพาเร า, าเราไม่ได้ยินเขาจะนินพาจนเขาไม้มีน้ําลายมันก็ไม่มีอะไรนะแต่พอมีใครมาเล่าให้เราฟัง น, นเหว่ยงว่านน่นหรืออุ่นมันไม่น่าจะว่าเราเอาแล้วน่าทีนเน่เจะขึ้นหนึน่งลั่นเราหลงอารมณ์เราต่งางหากเลยเขาพูดแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้แหละเขาไปได้สี่โลกแล้วก็ไม่รู้คทำพูดนั้นขายอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็มาปรุงขึ้นมาใหม่อุ่นขึ้นมาเผาจากสองงั้นแหละเนี่ยเพืนะนะ่อเราหลงอารมณ์เรามันปรุงขึ้นมาหลอกหลัง นี่พอมันรู้ทั้งที่มันเกิดนี้รู้ทั้งสิ่งนั้นที่มาสําผัสครับีรู้ทั้งอันนี้ไปล่ามภาพแก้กันครับต่างอันต่างแยกกันครั บ, รบแล้วแล้วไม่มีปัญหาอะไรนี่วิธีปฏิบัติที่แรกเราต้องแก้อย่างนี้แล้วก่อนให้ทําทำความเข้าใจกับสิ่งนั่งทำควาเข้าใจกับตัวเองที่ไปเกี่ยวข้องกับบูกกับเสียงกับสิ่ง ท, ทับรระหว่างติดกับสิ่งนั่งให้ทำความเข้าใจกันถ้ากอดก็ได้ทำควาเข้าใจแล้วพย า, ายามแก้ไขไปจนกระทัา่ามันแก้ไขแล้วไม่ต้องทําความเข้าใจ ต้องผ่าทดับกรพ้อไม่ต้องให้บองมันดับมันก็ดับตองนี้แต่มันเกิดกระดับเัรนั้นในโลกนี้กว่างั้นจะดีนี้ไม่ว่าแต่ทุกมีแต่ทุกทั้งเกิดกระดับสิ่งอื่นมก็เกิดกระดับเหมือนกันท่นดเกิดขึ้นท้นต้งดับมันตีความหมายจะได้หมดทําที่ก็เป็นคกว้างามมากมายะเอียอเข้าใจหรอมรืมเข้าใจนะว่าไงอีกถามคือคปุ๋ยนัน ทำใถานไม่ใ uh ่เราจะตอบยังไงือเทปจะตอบหจะว่าพระบ้าเออึวงตาอยูบนบ้านเราก็ไม่อยากเป็นบ้าหรอว่ก็เห็นอย่างนี้แล้วเป็นเช่นเห็งรูปนั่นก็เห็นนามมาทำสงครามปุงท้องินมาปงไปรักถึงั้นเยาวชนด้วยของนา เขาไม่เห็นรูปนี้จะเป็นรูปหญิงรูปชายประจํารูปแสครูปสีของอะไรประามันนิ่งเหมันไม่หลหรอฮะจุดนไมตอนตอนมันไม่ตอนตอนตอนมันนิ่งมันก็ไม่เห็นแต่เราพูดเราพูดทั้งตอนที่มันนิ่งนีไม่นิ่งมันเป็นตัวเหตุเวลามันนิ่งมันไม่ก่อเหตุนะถคาเราเชื่อว่ามันนิ่งมันไม่ก่อเหตุแต่เวลามันกรดิกขึ้นมามันจะก่อเหตุความหักหนักก่อเหตุแล้วนักบั้งทางบั่งเรียกบั้งโตรบั้งชอบบั้งอันนี้มันคือเลืองก่อเห ก่อเหตุจากความตรุงธุรกิจนี่แหลนต้นตังแล้วธุรกิจนี้เรียกมหาเหตุอะไรอ่ะผิดเปมหาเหตุแก่ตรงนี้หมดแล้วหมดเหตุแล้วมันไม่มีอะไรอะไรก็มีอยู่นั่นแหะแต่อันนี้ไม่ไปผลใาไ ม, ไ, ไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปเกาะไม่ไปกรุงแต่งม่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าชอบไม่ชอบอ น, นั่นไม่จึงมันอยู่นั่นนะ แล้วทำไงมันถึงปุงก็ต้องพิจารณาคงนั้นก่อนด้วยมันทำไมมันปุงเร็วยิ่งกว่าอะไรนักมันทำไมมันถึงตุ้งนั่นใช่นี่ก็ต้องให้มีเหตุเพราับเท่ถ้าตีเป็นตัวเหตุกาหนดกอมันอย่างนั้นเอามันจะปุงไปเรื่องอะไรนะเอามันจะปุงไปเรื่องอะไรถ้ากำหนดอยู่านั้นเราจ่อยแม่แต่ขโมยก็ไม่กล้าลักของนาเพราะเราเผยมันสวยมากไปเลยนั่นแ่ะตอนนี้มันเอาตอนเราเผอนะพอเราเผอยภาพมันตุงแคบนั่นเห็นไหมนั่นแหะตัวเหตุมันปุงเป็นเพราะเหตุนี้ แล้วมันไม่ปุงเพราะเหตุนี้คือว okay. ่าเพราะมีสติเพราะเพราะคําเถลอสติมันถึงกลุ่มนักเข้าใจมันเกิดมันเลยเกิดแล้วมันก็ไปได้นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไงมันเลยเกิดแล้วมันไปได้ทุกเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่างของเราพวกเลยเปิดนะอาจารย์ก็เลยเกิด เนี well, <c oughs> <escrito> ่ยมันก็ไปเรียนคาถาไม่โกรธมาได้ยินไหมล่ะคาถาไม่โกรธเขาไปเรียนคาถามาเขามาเล่าให้เพื่อนเขาฟังวันนี้ละกตอนนี้เราเป็นคนโกรธเก่งอย่านั้นคนเรียกว่าคนที่โกรธได้อย่างนั้เราไปเรียนคถามาแล้วเราไม่โกรธคาถาว่างไงวะคาถาไม่โกรธไหนว่าไงหนึ่งคนหนึ่งมันจะยั่วแล้วนี่นะไหนว่างไงวะไม่โกรธไหนหน้าว่างไงน่ะไม่โกรธแล้วเราจะตาแดงกันมาเฮ้ยหามึงไม่โกรธแกตัวมึงยิ่งกว่าพี่เลยมึงไม่โกรธอะไร ม <l ots> ันยัน่วเอาจนโกรธว่ากันเน่ยเราบอกว่าเราไม่โกรธไม่โกรธเราไม่โกรธตาแดงเนี่ยันแดงตัวก็แดงขึ้นนั่นอาจารย์นนั้มันเอาจนเปงนหน้าเลยเนี่ยเออเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่เราเอาจนเึงนหน้าพยายามฝ่ามันเอาละท ำ, ททำไม่ได้ฝ่าพเดกเพื่อจะทําทําได้โกรธ เ, เขาไปเห็นโทษตัวเองคือห้ามโกรธมันเกิดขึ้นอย่างเราก่อนที่จะไปไปพบโลกชวนกุลิศมันกระทบชวนตัวเองแล้ว เราต้องดูนี่ก่อนทางเราจะพุ่งแยบไปเรื่องความกดแล้วรูมจุดทั้งมันเนาะที่เป็นไทยไม่ดีที่นี่เมื่อเราลุ่มที่นี่นะมันก็ปลอดถึงนี้ถ้าเราไม่รู้ที่นี่เนี่ยมันจะไปยึดถังน้ำน้ำยิ่งความมันยิ่งเป็นการเสริมความกดขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าความกดหรือว่าความรักหัือว่าอะไรก็ตามถ้ามันส่งไปนอกนันไม่ดูจุดทั้มันที่เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องทวยดุรแรงขึ้นไปเรื่อยๆยัง่ะเข้าใจไหมหล่ะนะ วัวสายมันไปมันไปนมันจับหางมันดึงไว้บ้างมันก็จะกลัวมันหางขาดเงีเหรอนะทาดึงจนหางขาดมันดู้ทนจะเป็นยังไงถ้าหลังเสร็จวัวหางขาดเข้าใจ้หอนะสติตามบ้างนี่เนี่ย เราไม่งอ ว, ว่าเราไม่ปรุงเราก็ไม่โกรธทีนเราปรุงเ่ยเขา้ามาเขาามาเบยพี้ถ้าเราไห้ปรุงกระรับษเขามันก็ไม่โกรธหรือว่ากว่าอะไรดอกรฉันนั่นพีมันเปทั้งร้งองและที่เดียมันไม่ยอมขัดทุนอย่างบอกแล้วที่เดียมันไม่ยอมขัดคุน มันเอากำไรทั้งนั้นแน่แต่เราในยอมเสียสลาดทุกอย่างให้เขามอบเรื่อยนะมอบให้เขาเรื่อยเขาก็กับไปเรื่อยนีว่าไงไหนว่างไงถ้าเขาว่าจริงแล้วจะโกรธัหมมันโกรธได้บานการจะว่าเลยนะเขาว่าจริงมันยังโกรธเฮ้ยมันพูดอะไรกันอ่อ เขาต้องแทกอะไรนี่วะแทนี่เขาว่าจริงก็ปว่าเราก็แทกอยู่แหละอือจรงนะเรื่องมันีสิีอะไรมันมสิวเหมือนกับเรามีแผลนะทรกทุกวนเรามีแผลที่ฝ่าเท้านะเดินบกัรกับคนที่เขาไม่มีแผลนเขาเดินมาธรรมดาประมาณเราห่านเขาหยเยตเขยตเขยตเยแนบใบไม้อ่อนๆเยอว่าหญ้าเส้นห้าอ่อนมาถูแ้วกัดพบแล้วโดดเลยแล้วกระปตมีเส้นหญ้าหลยแล้วไม่รูว่าเรามีแผล แผลเราไม่เป็นธาตุอนหาครูอะไรเป็นธาตุจะกระทบจากขอเราพยายามรักษาแผลที่สา้างเสียแเราก็เดินไม่ได้สบายสบายเข้าใจไหมครับแผลอยู่กับเราอะไรมามาถูกแผลนั่นแผลเป็นธาตุจะกระทบแต่เขาใส่เขาเป็นแผลเขายังพยายามใส่ยาแต่แผลี่ใจเราเราไม่พยายามใส่ยาในคอยตั้งแต่ของแถลงหรอก อามาทิมเลยตอน น, นั้มาทิมนี่มาขทินผ่านไปตั้งกับตั้งกันแล้วก็มาอุ่นขึ้นมาทิมแทงอยู่่นี่เหรใช่เลยคนะรับจะเลือดถึงเรื่องอดีตที่เสียใจนี่อ้าวอมมาอุ่นทิมแทงตัวของนั้นแหะเผาตัวของนั้นแหละหนานั่นตอนนั้นมันไม่หนานี่มันไม่หนาเรื่ยๆนะนี่เรื่องไม่หนาและเราร้อนๆไปเรื่อยๆมันก็เหมือ น, นเรนาเดินคาถาไม่โกรธนี่นะ ให้ดูตรงนี้แค่ที่อื่นไม่ตอกให้ให้แค่ที่ตรงนี้ตรงที่มันไปปรงุงว่ามันจะโกรธเขาเนียให้ดูไม่ได้ดูมากถ้าให้ถ้าเราไม่รู้ที่อื่นให้ดูเรื่องความโกรธที่มันกําลังร้อนอยู่เนี่ยให้กําหนดอันนั้นเป็นเป้าหมาย เป็นจุดที่อยู่ของจิตให้จิตอยู่กับจิตนั่นอลองดูถ้าอยู่กับความโกรธเอาความโกรธเป็นอารมณ์ของจิตให้มันจ้องมองด้วยว่าเป็นเป้าหมายของจิตให้มันดูทีนี่นี่มันดีหรือไม่ดีความโกรธนี่ยมันเผาใครเวลาเนี่ยมันเผาเราดูมันดีไหมนี่ดูนี่ต่อไปพอมันจะเริ่มโกรธเนี่มันแยบขึ้นมามันรู้แล้วมันหนักถ้าเราจะไปละงับมันออกมันไม่ได้ วิธีระงับต้องระงับตัวนี้ตัวเป็นเนี่ยตัวนี้ตัโกรธตัวนี้ตัวปุงให้โกรธนี่แล้วเขจะเป็นเรื today, ่องหนึ่งอันนี้มันจเป็นอุบเหตุหนึ่งที่ราจองแต่ยังไรก็ตามถ้ามันที่จะหเราเปิดทุกขนมันก็ต้องแสดงทั้งที่อีกนะ ใ ห, ให้เราเราสห็นจุดนี้ก่อนอนคุ้มนี้ก่อนแล้วเราค่อยพิจารณาแาก่ขไกข เ, เรื่องอำาจคืออะไรถึงาระพิจารณาเส็ผลเี้เอยียดัรก็หนัอยมากจิตมันไม่ยอมพิจารณานาเวลาไม่แถ ล, ลแงแต่มันยิ่งจะไปอืม นะทั้งการผู้บายั้ก <c oughs> ารแก่แล้รักถึงนั้นถึงนั้นไม่ได้รักเราก็เราจะไปรักเขาสิ่งกัแก่ถ้าแดดแยกเป็นเงียกลางไงฮะลูกคนละคนกําเราเขาแยกกันแล้วเป็นระเพศนั้นก็ลูกนี่กับเรา พยายเป็นคาไปคาาไปเดียวๆนันก็ลูกว่าไงความคิดความนากระทําเขาก็เป็นอย่างของเราก็เป็นอย่างาเป็นแบบเดียวกับเราเนี่ม <double> ันเป็นไไม่ได้เพไม่ใช่คนคนเดียวกันเนี่ยประเทเป็นั้นเนี่ยมีเประเทศแเรารนนาไปแอไยน้ใจอ เป็นีรื่องขาไปรอบอมตสจิตหนึ่านะผมคันน้อยถ้าเรียนเยอะก็จะเดินได้หนงก็แล้ ว, ก, วลก็จบ ถ้าเรามีความพยายามมีความสนใจอย่างนี้มันก็ค่อยเบาลงไปเรื่อยๆพออะการดกดขึ้นมาเราก็พยายามาก็อ้างไว้ที่แกะเราไม่ใช่ลิงพยายเป็นอย่างนงั้นนี่แกก็แก่งองัเราไม่ใช่ลิงนี่กวางั้น่เพราะฉะนั้นเป็นเหมือนลิงได้งไงแก็แก่อย่างั้นีน่ว่างไง เราจะให้เต็มกริงอีกอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้เลยอุบายเรื่องเรื่องอุบายเนี่ยสำคัญนะอุบายที่พยายามแก้เรานี่พันติดปัญญา อย่างเราเียนจาส่นีนะมพุมีการราถ้าเราปกเ่ก็ต้องสังเกตดอะรก็เคุ้นหลักฝากสังเกตด้วยอะไรอ่ะแล้วทาถ้องเข้าใจะไนะติกาขอบานมันเป็นคืออะไรล่ะคุณเข้าใจว่าคืออะไรอันนั้นอ่ะกติกาขรบามันคืออะไร มันนอกจากวงอาญาศาสตว์ไปอย่างนั้นเหรอก็ตัวอาญาศาสตรนั่นแหะพระิจารณามวัดเป็นอะไรไปแน่วางอางี้ฮ่าพระพิจารณาธมวัดนั่นแหละคือตัวอาญาสตร์และยอดอาญศสต์ด้วยหนักีาปยาสร้างท่าลาท่ลาปยาเลมันเกี่ยวมันเนื่อมอ่ภายในจิตนี่ น, นะมันไม่ด่ที่อื่น นะหนางเหนเรามองมาดูต้นไมเนียน้ำต้นไม้อะไรมีกี่ต้นนั้นมองมีต้นเยอะแล้วทำไมมีทั้งสิ่งทั้งก้านทั้งดอกทั้งใบหล่ะเนี่ยนี่ขมันกันเข้าใจหรือเป่าทไมมันต้องวิทยาศาสัร ในารพิจารณ้ทำย่อท่านพระมาท่านจึงต้องพิจารณาให้พิจารณาปยาปรปฏยการนั่นแลคือตัวแยกักขมุทายแยกัก็คือนั้นเนี่ยถ้าจุฬาสถานด้ขาที่มีในนั้นอะไรนันเหล่านี้ก็ก็เป็นผู้กษัตริย์มันก็มีในนั้นโากัพปิเลโตรงาปาริชาตั้มปวันติมันเกิดเป็นพร้อมถ้ามีต้นเหตุมันเกิดขึ้นอันนี้แล้วมันก <ถ grinding S 1> ็ต mm. ้องไปอย่างนั้น <m Ces> <ken> <con> <depression> แล้ ว, วมันเป็นอย่างนั้น est. ที่ระดับนี้แล้วมันจะต้องดับไปนั้นนั้นคือคือุจทันตินี่ถ่ายกัลงไปนี่ดุจทันติสมัยกุญเดาอคอนี้ดับอริชาว่าติว่าจะเวลาคาเขาเลยอันนี้ดับมัน้องดับดับดับดับดหมดแต่นี้ท่านเรียงลําดับไปตามคาพูดเฉยๆในขณะที่จิตดับมันไม่ใช่เราไปดับดับไปนี่นะมันดับปุ๊บเดียวนี่มันหมดข้ามกันเลยท่านเรียงมดไปทุกท่านเรียงไป เึืคุณนั่งเลยจังถ้าอันไหนที่ควรจะเป็นปวะอาชจังปลอดภัมาอันไหนไม่น่าจะเป็นประโยชน์จังปลอภัยมานี่ั้งว่าจะเล่าเรื่องที่วิชาลังไบเฉยประโยที่จะเกิดข้นแี่ไม่เคยมีจึขอผ่าน ไล่เคือลิขการ์ตตัวลิขการื่ออะไรมีที่เกิดที่มาต้องใช้การศึกษาเพือให้เข้าใจว่าวิีการ่างๆต้องใช้ใช้ตัวแบบอะไรใช้ตัวแบ่อไต้องใช้แบบอะไรต้องใช้ ยากระชาปฏิบ uh ัติจะเอาเรื่องปฏิบัติมายุงนะมันเป็นค่าจิตวิจารณ์มันเป็นที่ยาบนมือควรใจปฏิบัติที่ท่านเขียนลงไปท่านเขียนมาไปจับค่าปฏิบัตินะเราจะไปเอาปฏิบัติมาทาลายการปฏิบัติของเราถ้าเราเห็นไตามธรรมชาติันที่ไหนมันจะไามันรู้มันเห็นคาปฏิาัตเราเราจะไแยกกัมาคว นักเรียนนักนามุ่งเรียน ก็มีครัมน้พิษาร้าก็มีครับเราจะไปข่ามันทันทีเราจะลงปุ๊บลงปั๊มอะไนสัาผที่ิ่เราจับร้วมเห็นให้มั่นคง้วก็โมยเราให้มีทันติอยู่กับข้างหน้า แล้วมันมีความรู้สึกในเียนกทํกานมันจะเปลี่ยนในที่ต้เหตุที่มาทงานนี่แล้าเม่เปี่ยนพจารณ์เคือ้นจากาความางุนัเราน่วามผาสุนัยนี่มันมันเป็นไปต่อาทงานขเราเยวาจริงเนแ้ต่ถึงได้รวเลยแล้ในในสนามนี้ขนาดกลับมาเราจะมาถระบบการ่อนสินี้กรจะั้สนั้นไม่ได้เลยถ้าถ้าปลอยทเอาปิวังิถ้าเกินขึ้นมาหมื่หลักปฏิัติเราไม้ค ลรงนคือมันมันมันค่อยๆเกาค่อให้หาเจาะน้มันก็มีแล้วบาทีมันมันเหมือนกับกถะบอนก็มีนะและวแต่ผลิตที่สิ่งมันไ่เหมือนกเออก็ตามเร่้้วเป็นแบกคนภาคภูมที่มันเราอยูก็ได้นี่เป็นกวามหมนี่ กราต้องไม่ทำนะเราอายุสิบตัวมีลูกนะมีลูกต่อเรื่อยมีลูกนั่อแะนี่แหละปะคำหน้าที่มาเรือยๆนี่แหละเรื่องเป็นไงก็ให้เราอายุในภาพก็จะแบบนี้ไ ทไม่ยอมดึงน้อง สถานการณ์เรามันไม่มีถ้ามันยอมกินกินๆว่าร่างกายของเรามีก็กินแต่แต่มันไม่มีในความรู้สึกว่าการมีมันหมดเลยรู้สึกอย่างหมดแต่ความรู้นั่นไม่หมดแ่ไม่ระวังนี่กับอะไรนหมเปเพียกว่าเอกริตรู้เอกราตามีอันเดียวใช่ไหมร่างกายหายหมดขนาดที่หายจากความรู้สึกร่างกายสมมติว่านั่งมนั่งอย่างนั้นเนี่ย จิที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นหน้ให้ทุกียบทเวลาเราเนี่ยเวลามันเป็นมันกับิ่มันเองเวลาจะเป็นมันดีเวลายืนมนเป็นก็มแต่ตอนน้มันเป็นนนอนก็มพระเวลานอนเรากาหนดให้เราอย่ท่นอนานอนก็นอนภาวนาแต่สิงมันก็เป็นได้าช่เดียวกันไม่ทราบว่าเรานอนไม่นอนาอนั้นทายหมดแม้แต่ที่นอนเราก็ไม่ทราบไม่ทราบทั้งหมด อ้ม่ได้ปะน์กถ้าเราลักการไรากในา ร, รูส้สึกแล้วเคียมก็มมีไม่มีอะไรมอะไร มาตอนนี้เราไปเจอโดดตะขอดังไดอยู่เหรองูคลัวบันไดที่หนีน่นเหรอนี่ยุโตวิจารมันกเมาตาระยะของมันมันก็ดับของมันไปเออคาตาอ้าวมันมีันเดียวมันยุโตวิจารมีจะเรียกคาตาด้ยังไงใช่ไมันก็ร้องกับขักับถเกัอย่านั้นมาด้ยนี่ตอนที่มันจะเข้านีมันต้องปล่อยมันจะหมดธรรมชาตของยุโตวิจารนี่มันฆ่ากันมากนะในหลักคาตินเป็นยังไงโดยมากคนเรา่เข้าใจกัน นี่จะเอาชื่อนะมาว่าอู้ตาดำตาแดงฟงแล้วเราเบื่อตาเลยจริงๆอาจารย์เรียนคงยังข้าพระดีวันมันเป็นยังไงถ้ามันรู้ด้วยใจมันจะผอนเลยมันทานไม่ได้ทานเลยวยือน่ทานเลยที่มั้เลยข้าพระปฏิบัติถ้เยือนในหนักมันมาข้าในขนะที่ยันเราจะเอาปฏิญัตาพระเป็นฐานนะมันจะมาทาลายอันนี้แล้วก็ปฏิบัติมเป็นไงถู้้ในขณะสที่มันรู้มันรู้อันรู้ไงถ้าอันหนักยืนเนี่ยจะได้ถอนแล้วนจะเรียนให้มาท้นอย่างทางนีจิตนี้ยเพือข้าจริง หายเงียบสงบสิ่งนั่ก็รู้ยังไงนี้ยเราจะไปทานพระธาตุสิงห์แยกออกไปแล้วนันปัจจุบันไม่ต่อกันมันไม่กังวลเองนะท่านอาจาั่นไม่กังวลเองคือเราไม่ได้บังคับนะเวลามันมันรวมมันเป็นที่แล้วไม่ได้บังคับมันเป็นหนึ่งศักดแต่ว่ารุ่นเท่านั้นนะเราจะไปบังคับอะไรไม่ได้มันจะเป็นสองที่มาเราบังคับ มันแมวมันถึลามันมันมันจะยัมันมันจะกระด้งยืดขึ้นานึงยัดระดับยัจะขยมระดับเดีรยวยก็ความรู้ขนาเร่องการมีอะไร่ธรรมดาประธิปไตยปเทศอ่าประชาิปไตยงไปีกมันมันก็ได้ยินนจักจั๊กจน อาการแบบที่อย่างเด่นียวเที่ยงการมากมันไม่มีจะ่งร่างกายเป็นความรู้สุขปล่อยทั้งหมดมันเหมือนเป็นอาาศทัาทั้งหมดอนั้นอะไรก็ไม่เกี่ยนันความมันลงร่างกายไมมีความสุขยเสียงออนมาได้ลการมันเห็นจขกางทั้าอธิบายด้วย มันจะขาดนี่ไม่ขาดก็มันช้ามไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลามันไม่รับรู้กระถิ่นใดมันไม่จมามันขาดกันนี้ยังยังจะต้องนี่มันุ่งใหญ่มันจะขาดไปไหนๆนั่งมันยุ่งอย่นั่นอ่ะมันเรื่องยุ่งเวลานี้เราเราไ้พูดเรื่องยุ่งปุณหาแต่เรื่องยุ่งมายุ่งมาแล้วอัโดนไปกอดบรรไดอยูมันจะต้องวิการมันมีวิโตวิจารณ์ไม่ไหวอีกอ่ะไปที่จะจะจเป็นห่วงบรรไดเลยคือกอนให้เขาบูกันบ้างที่คนเมืองห่านี่เวลานี้เราพูดที่ี่เราไม่ได้กอดตรรไะ ขนาดที่ก้าบรรยก็รู้กหนุ่กงขนนาจมันก็รู้มีขนาดจิตที่วิจารณปตวิจารเเราปฏิทานทุกครับตอนที่ัก็รู้ก็ถึงเอ็อสามก็รู้ทุกจิตนั่นแหะเป็นผู้กล้าจเนผู้กลมที่วิจารณะมันจะหมกไปมนหไปามันเข้าใจแล้วมันปล่อยไปปล่อยแล้วทับลงนักมวิจารณ์นี่เราจะเข้าใจเราบรตงนี้แล้วมันจะไปนี้ปนี้นะาพูดถึงความทำงานกับความมุานำิการแม้เราเสียนสยนะทุกขั้นนี้นะ คนเริ่เขียนจะต้องนึกถึงตัวทอซะก่อนแล้วก็นึกถึงแต่ละอาเนี่ยแล้วก็นึกถึงไม่เออกแล้วก็นึกถึงตัวรอแล้วถึงจะมามาอ่านเป็นขั้นหน้ามีคือผู้ผู้ฐันนะผู้ว่าทำงานผู้จุนารักษ์มาท่านนั้นมาพร้อมกันหมดพอที่ตัววิจารณ้เหมือนกันค่อนค่ข้างที่มันทําทํางานดีในขนาดเดียวกันมันไปพร้อมกันมันไม่ใช่ขาดตอนอะไรตอนนี้นมันทําร้วกันแต่มันเลยไม่ได้เนี่ยผมอยากให้เห็นสภาพปฏิบัติสภาพวิยามันจะเป็นยังไงบ้าง มันจะไ็นหัวรอดตัวเองว่าไงบางที่อาจารย์พูดนี่ยามมากมาน้อยมันหัวรอตัวเองมันงู้นจนมันตายแบบนั้นนะพอเวลามันถึงขั้นนั้นว่าแต่ของมันน่าอะไรันแหละทำด้ว่ายมาอะไรไปที่ไหนน้ำตาลทำทีด้ฝังโลกไปโอ้ไปเรื่อยน้ำลายเก็งเท่าไรเอ้าจนหมดน้ำลายมันไัมน้ำลายเ่ไม่ไจะเอาอีกมันอยากให้เขาคมขยบพอแล้วที่เก่นเก่งอะไรถึงในคำพิเที่เลือกตัวนึงก็หนึ่งในลอไปตัดใจเีถ้าใจไม่หลั ถ้าภาษาอม่ได้นันนะมันกไปมันป่อยใมันปลอมันยืข้าใจยยๆกระทั่งมันเป็นที่มันปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือกทางนเข้าใจือยามันใช่ว่างในทางในโหมดจะเป็นหัือกเราแบบที่อก็มีหัวลกนอากกดูทั้งถ้ามันบุ้แรงนะผมกระกทั้มมีเท่านั้นอี้แล้วผมสัมกอนะครับใจ เราคุกคืออารมณ์แล้วที่เราจะได้ฆ่าเราอารมณ์อย่างไรเราจะเยอยังไงนั่นเนี่ยนะมันจะเป็นบ้าตอนนี้เรากลัวจะเป็นบ้าเราอีู่ไมบอกไว้ก่อนก็อารมณ์มันก็เกิดขึ้นขัดขึ้นแนวถ้าตามแักธรรมชาติแล้วมันจะนโง่ัคบขึ้นมาเราจะพิจารณาเรื่องอะไรแล้วก็ดีมากเรื่องวิจดวิจดเรื่องอะไรแล้วิตกเรื่องผมเรื่องผลเรื่องแรกนะเขวิจดชับเราก็กำหนดนั้นแล้วก็วิจารณ์แยกไปผมมันเป็นยังไงที่เอวดที่อยู่มันเป็นยังไงเนี่ยดูเราจะ จะพูดอะไากำหนดหนังหนั ง, ง น, งนี่เป็นยังไงทุกอย่างที่อยู่ขางในะ น, นหนึง่งจะวิภาแล้วนะเช่นที่ตกแต่หนังผิดมันแยกมากยยกมามันพูดอะไรจะกําหนดหนังเนี่ยมันแยกมาถึงหนังเลยทีนี้เราก็วิจารณ์เรื่องหนังหนังเป็นยังไงข้างในเป็นไงข้างนอกเป็นไงเชียบเพื่อก็ะทั่งวิจารณ์ไปทั่วสารภาพร่างกายอย่างวิจารณ์เวลาเราจะให้อยู่ให้ยู่เวลาจะออกนอกให้ออกมันแล้วแต่อันนี้มันแล้วแต่กรณีนะนะ ได้ความมีทั้งภายนอกภายในแต่ให้เราเห็นความเหมาะสมในเร่องของเราการนี่มันจิงเรามันดูดดื่มไปอะไรที่จะเป็นอัดเป็นคำเป็นประโยชน์แต่ตันมากหรือน้อยก้อนแข็ขนาดไหนมันจะไปตามเรื่องของมันถ้ามันเหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่มันไม่ต้องการเป็นออกไปนอกท้องหมุนตัวอยู่ภายในมันเป็นไมได้อย่างนั้นคือภาก็ที่ไหวนะถ้าเราจะไปบังคับอย่างนั้นไปบังคับเรื่มันก็ขัดกันเวลาเราเป็นปรามหลักธรรมชาติอย่างไรมันเป็นจริงจริงผลประมวลมันกําหนดในส่วนร่างกายเราจะจอดรับประจิตได้ก็ตามพอจอดไปนี่ พอิดจิตกติมันได้ที่กันแล้วมันจะไปตื่นชาพัลลาคาคาคาคาไปหมดทั่วร่างกาเลยนัเป็นอย่างนั้นนะมีภาพัลลาไหมในาร์มไม่บนนเป็นอย่างนั้นเวลามันผิดของเราระมันมันจังได้ที่แบบขนาดที่จะไหนเป็นร่างายเห็นจมูกาเห็นรูปตาเห็นว่าเนี่ยเห็นองความข้างหน้าเ็นอานี้เห็น่าข้างหน้านอย่ัน ขนาแล้วก็เอาสายเชือกยางมดัตนี้ต่อเพราะจัดแ้วทั้งตีนนี่เนี่ยตรงนี้ต่อไปนี้มันจะเป็นความงขึ้นมาเกิดขึ้นมา้วนะถ้าศรา้มันมีอากเรราเห็มันท่วงรหน่ข้างขาเนี่แล้วบางทีเรานั่งดูเราผิดนิสัยอะไรใช้จนเมื่เรานั่งเรียนเนี่ยดูล่างนี่นะเพราะล่างนี่ไม่มีวิ่นยานตัวรุ่นยานตัิดีมันจะเอมันทำทาอไหนมันก็เหนื่ย มันดูนี่เป็นมันดูดูตัวการตกปลาโดดทะเลจนน้นตาลลุ่มสมแ่แต่ก่อนที่ว่าตั้งตัวหนึ่งหรืตายอื่นก็เพราะฉะันเราเห็นถ้ามือขึ้นมาเห็นมัี่ทำมื้นมาเห็นเนที่นันมันตกปลาโดดทะเลนั่นแหละมันเป็นตัวการตกปลาโดดทะเลแต่เราทะเลที่ยิ่งเบาเบาแบบาอันนี้เลยยิ่งเรียกตายไปเรียก้าไปแต่เราเมื่อน้ำกปลโดดที่มันคังขึ้นมาลงไปเปื่ยลงไปเปื่อยไปแล้วดูอยู่นั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาเอาคนจริงไหมมันต้องดึงชาไปใหมัน คือปัญญายที่อย่างทราบมันไม่เห็นนะมันก็อย่างไปหยั่งไปคลุไปทะลุไปแต่กระจายไปเห็นกปะจายม้วนกันหมดไม่มีอะไรอยู่เลยจิดก spa spa ็บิดนะธรรมะบิดทะุ่มันกัคธาตุนะคือธาีไปหนเน่าอุจจารย์ินงดุูเมฆมดโอ้ยจุหว่าทุกขังอะไรต้่บินหลักธาิมัตมันเป็นอย่างนี้แต่เราถ้สมุดเราวัดิดพือมันเพรานั้นแหละคืออยเัวนออกมาเขา มันช่านแลัสอนนี่คานอุณหละตัวทามันอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างความถนันเวลามันสอนมันเข้าท่านั้มันตีได้ท่านนที่เดียวกับเรากรรมองเห่าที่เราไร่ว่าเป็นปลาหลกรรแน่นนะเราเราเอาไปกินว่าปลาไมันปลาไหลอันร้ายนูเห่าต้องอ่อยจีตัวเดือดน่ะที่มันเห็นโทษนี่มันเห็นจริงจริงไมได้อะไรแม่ี ก็ค<จ>ัดตัวก็ตัเนแต่อบชอจริงๆจะไมนไม่ชอบชอองานมันตรองเวลานันชอบแลวยอมหมดที่จะนเวจนอยากจนตั้งความเหยียดหาที่พัูไปเลยรู้ไปตรงไหนมรจรู้ไปหมดทั้งหมดแล้วกันนี่เราง่หรืายังไม่รู้ว่าโ่หรือ่นี่ที่เห็นเหียดอะไรรก็้าขอทั้งหมดงไนไงขอไหนหมดยิ่งถึงขั้นปัญญามันก็เริ่มกระถางอย่างเลยระแยงกระฏิ่นนท่ารยานันมเพื่อพูดใารงยานก็ไป ทาวันแรกก็ไม่อยู่เือเวลาท่านเรียนมาได้มากนท่านมากคนวุนถึงนืหาขอ่แต่้วผมก็มาทําด้แค่ันทเรื่องเดียวมาทั้งหมดเั้นีไม่เดประโยชน์ให้ท่านด้รับกกถ้า่ารเล่นทั้งหดบาดเปนหล่งคือสิ่งดีวเป็นเหอนทานเทั้งหนดทํางะี้เกิจากนิด่ท่านเห็นมัเาพามแต่ถึงเวลามันจะวิ่งถึงทางเงห้าไม่อยู่มันก็วิ่งถึงเหนือเขารยกรบมันก็วิ่งกระสั ก็ทำไม่ได้เลยเฮลนแล้วใครที่แบน่ทานต้นนะก็อย่างว่าเยที่นีนเข้าตรงนัเฮลนาถท่านที่มันออกมันเป็นอย่าง้าเรียนั้นมันเลื่นติดันตนทให้กติด่งัมันก็เทาน้ทะเ้นาาตน้นเรามันไม่ละเอียดยังไงก็ไม่ข้า มนจะถึงมีฝังเรือมีมีการมีมีมีฝัการพิจารณากาพิาริญญาณงหนึงงแล้วออกงั้นกับถึงวินนาณร่างนะแต่ามัน็แบที่เาได้มากระดนมานะถ้าเราเวลาเราี่จะมาใ้นอบเรานั่นแหละมันจะต้องพิจารณาเื่อตนปนี้คือัรคือมันดััดในจิตมันพัดมันพัมันต่อใมัน่อยู่ ที่นีมันไหนที่ไงมาขนาดนั้ น, นอ่ะมันปล่อยให้มันไปเดินแบบแบมา ต, นาน ต, นานต่ an นางกันแมบนี้แหละที่เวลาเราถนัดเทียบเวลามันปรากฏมลขึ้นมาแล้วเนี่ยอ้าวพหนมาเป็นพระามาเทียบดูขนาดต่งขนาดตัวเน่ขนาดขนาดตัวนี้ว่าเป็นหนึ่งแต่ข้างันบอกว่าพระเดชนาดหนึ่งแล้วนี่ถูกไหมขนาดตัวขนาดตัวถ้าเฉลยจากปัญญาสูตรที่บอก ลูกตาเป็นไฟลูกเป็นไฟหูเป็นไฟเสียงเป็นไฟว่าละคันไตนี่นะเนี่ยสิ่งที่กขึ้นมันโดนมีงานไอสิ่งที่มาตั้งแต่ก็เป็นไฟเป็นไฟไปเรื่อยหมดมันเข้าใจเป็นแบบเป็นแบบเนแบบไปถึงจุดนั้นาลันนี่เป็นมีงานสิ่งไปก็มันอ่นะเวเราก็ด้เลยนเบื่อหนานนโดมีงานอสเบือหนาในวที่ แล้วเลธนาที่มันเกิดขึนนั้นเรือมาย่เรืองเนี่อนี้ป็การได้สิทินี้เรายอมรับเพราะประานี้ที่ะลเกียติมากที่ว่าถ้าเรี่งการมันแบบจริงถ้ากับขาวเขาจะมีปัญหาที่เขาทำไม่ได้ยอมรับการดันเทียบแต่นักแตนธนาเติดที่เราหน่อยเราจะพูดว่าน่าตั้สินี้แต่มันมีประเด็นเบลาการอาถ้ามันมีธนาประเด็นเบลธากาเข้าไปแล้ว มการมีทุกข์ัข้ามเลยเมื่อุกันในขาพตในข้าพตุบาเรื่ยรูปงาน็งานทุกขนการเมืเป็นหนาตาเราไม่ต้องว่าพูดถึงอะไรากที่จะสร้างหน้าตาเราจะครอบหน้าตาครอบนะเมื่เมื่อเบงหนเมื่อเมื่อเมื่อหน้าตาแล้จิต้าแล้วขาดสมัมันคลายไปได้อย่างไรเนี่ยตเตัวจิตที่่งแบบที่เดอยู่นั่งทำงนคลาได้อ่างไเวลาเราพิจารณาเหล่านี้เราครอไปหมดเมื่อเบื้งหนทุกการเมเป็นหน้าตาคือนเรารวมยอดมาเป็นนาตานะ หรือวอะไรเป็นอาตาาอะไรเป็นอัตรา อ, อีกต่อไปมีมันมันมันมันตัดอะไร enfin ก็มาแล้วมันจะมีลแก้ให้ธุรกิจอะไรที่ภครัฐทำอยู่ในธุกิจตัวเลยอาการอะี้เราตัดในตรงนี้ส่วนนี้เราไม่ตัดนี่จะเป็นเงินเดือนเดือนไหนนะคับนี่นี่ล่าปลายเป็นอะไรนี่ล่าปลายเ็นแบบเาป็นไปไ่ได้เงินก้างมากอีกเดี๋ยวเวลาไปถึงอุปถัมภ์ยาสิย้อนเงาไปเถึงขั้นสิบเดือนหนาทุกสิด ะนะอ no. <Yeah. S 1> uh. ันนี้เป็นเกันท <IS EN> no ี่ราพิจณาถึงจิตมีอะไรอย่านันมนี้นุกแค่ว่าจิติตต้องเป็นการทํานาตาไ่ได้อยู่ะทีน่นหละมันทําให้เป็นรือการสราหน้าตาพอที่นีแก้มุกรูกอมเหมือนกี่ไม่มีธรรมะหน้าตาไม่มีธรรมะหาาเปิดังหมดเลยถึงขั้นมีธรรมะอะได้ถึงขั้นนี้มันจะต้องวุ่นเนีวุหนวายพอมเข้าใจนพาดเข้าหาเน่หมาหรือหารักษามานึ่หน่ยหรือมาข้างกันควรจะแก้ตรไหนให้แก มันนยะมากคอพิราลลงไปนน เ, ลเาาลวนนลากิเลสมันทำเรามันทำมากกว่านั่นทีนี้เราจะพลาดกิเลสเราจะว่ามันมากไปเลยขามมั น, น ล, ลงไป นะตงไหนที <c oughs> <ห>่มันพักกเอาที่นะเอาแบบควาเป็นามือนวมันามันข้นกันนะมันเลจองมอองมงมองมองมอ ไม่มากก็ไม่มากคือถึเวลาที่มันจะกระจายงานให้มาันนี้กระจายถึงเวลาที่มีคนเอาสะท้อนนี้สะท้องเวลาทก็ขยายจะเปคุณค่าวิชาเรื่องการงาท่องเท่ยวนี่แน่นมากหรอเวลาที่มีคนพิจารณาไม่กับนนมันเองาแต่เวลาจะเอา เพื่อความสเฉพาะันระเบิดในคำโดยละนะครับาต้องการความสงบถ้าต้องการยุิการแล้วมันเข้าไปในสิงาเพื่อความต่อาเยการเนันถือเปนการดีที่บ จันต้องใส่ก่อนทำเพื่อไม่ให้ห้าเป็นมา่งตายมั่งไม่เป็นธรรมชาติเยอะความเหมาะสมคัามสะอาดและเพื่อความมีเหมาะสมอย่างเดียวเท่านั้นทำนั้นก็เอาอย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่ทำอะครั้นเยอะแล้วเราต่างคนที่ต่างคน าาดบาเเราไม่พูดหนกับูบันทาแ่บัราหน้าหมันี้ตง้อครับ من اول من كتب في اللغه العربيه เยยมานะเอาหนึ่งที่ามนอหนยูได้อก็ถอก็อย่ได้ตรงอยู่ได้อืมนี่เขาายเรองการเข้ใารมณ์เข้าใามนี่คให้ทํามัข้าใจงานนี้บอะไร มันจะเกิดเกิดครัวนะไอ้ที่เรามาอยู่กับผีเอาผีไปอยู่บ้านคนอยู่้านใครที่ไม่เคยเคยเกิดคนอยนีันอื่ได้แต่ถ้าเดมีคนมาเว็นญาติญาติให้อ่ารักคนเป็นคนรักนเป็ e คนรักใครไม่ไ้เกิดครัวเรือใครเป็นคนรู้หรือไรักใารไม่ได้รักใครไม่ได้ ไอม่ปย้อนที่น้อยนี่แล้วต้แดงมันก็มีกัดนะเดี๋ยวเาปที่คืงบอันนี้ไม่ได้ต่ป็นระดับอนนี้เป็นราดับอันนี โดการคุ้มต่ในเรื่อนั่นแหละแล้วก็แล้วก็การแต่ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สดนะครับแต่าังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็กอรแล้อกรแล้วก็รแา ลงในขณะไนเพระว่าหมดเลยเล็กสบายสบายนั่นแหละโหม่เจ็บเลยตกท่าตกเขาตกท่ามีเวลาเบื่อจุ้นน้ำเบื่อเจ้าของน้ำเบื่อจะอยู่ไปไหนก็ไปได้เราะความรุงอยูนี่ต้องเบื่ออันนี้ตะพันนะมีแต่ว่าใจปัญญาเรื่องนั้นแหละแค่แค่ปัญญาที่ปัญญาตัดหนึ่งแนวางนั่นเอง เนี่ยแต่ในเรื่องของเราเราไม่เป็นแบบนี้กับการเราเป็นเรื่องอื่นเราเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราชอบ ตกนี่มันคืออไรตกจุดนั่นตอกอะไรตอกอะไรเป็นม้ที่หนาสุดมาที่เฮ้ยตอกกี่บาทนะตอกอะไรเป็นไม้ตบตบไปด้วยกันเลยหนานั่นน่ะนี่นั่นน่ะนี่นั่นน่ะ น่ามากแต่หไม่ทันแก้เอาความรู้ที่ตัวที่เราเขาพูดภาพมันแ้ไปี่เราแก้ไม่ได้เพร ที่ไหนก็เบ kind of ิกแต่นั่งมึ่งอยู so right. right. ่น so ั so ่งทำไมต้องไปนมันเือหมดมันจะอยู่แต่วันทีที่มัมีแค่ตั้งามร้นมันไ่นี่น่ะไรของมัาหมายนี่ะเรื่อเงินประยุกทั้งหมดที่มัมีเพื่ออะไรมีเพื่อให้ทำงานได้ไม่ได้ไม่ต้องกับไปไนดีกว่าอยากทำ 的嗯嗯。嗯嗯。好。嗯。<deal> คือหน้ามันก็ไม่ดีนะแล้เด็กก็ตกใจอยู่นั่นแหละตกใจที่เป็นสามให้คุณพ่อคุณพี่ทำมันก็ได้คุณขายป้าเด็กก็เป็นหนี้ก็เป็นเงิทีต้องทำใหีต้องทำให้ราคาดีจะไ้เดกก็จะได้กาวหน้า อ๋อท <gas> ่สสงกดปใครมาตรงนี offs, ้ผมก็ถามกันนะท่านะกดใครมาีเทศไนนั่งโอ้โรยี่เหลียดโง่ยี่เหลียมาตั้งแการนะพุ่งตะมันไครกันตีนข้านี่ข้านี้วางกันคง่าย แต่ว่าอธิบายมันคือแบบมันเพิ่มทุกกขึ้ไปอย่างเงี้ยเทศก็ไม่แน่นะถ้าเทศสามารถถึงขั้นมันจะบอบบางนี้่จนฟังไม่ทันแต่ของเองยังโอ้โหขนาดนี้เลยลูเวลาอัดเทสเอาไว้แล้วเทศสอนพระนะสําคัญที่เทศสอนพระนะเทศสอนพระถึงจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ยังไม่ไม่เหมือนพระนะถึงพระเทสเทศสอนพระนี่มันถึงพริกถึงสิงโตตอนที่เราจะทราบนะขณะที่เราเทศแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้คิดว่าเราเทศ เร็วลุช่านะเราไม่ได้สนใจนะมันหมุนของมันไปตามเรื่องมันแ่ะโน่นเวลาเราอัดเธอพามาปวดอะไรตังคือกระทั่งมันร <Alright. S 1> ู้ไปเลยนะรับไปฟังเสียงหายใจดังกิ้วคือมันไม่ทันอเมื่อทํามันยังหยุดจะลมหายใจหมดแต่กว่ามันสูบลมหายใจดังฟิ้วขนาดนี้เลยฟังเสียงสูบลมหายใจเหมือนคนจะตายนะเครื่อยนต์เน็งฟังเสียงสูบลมหายใจดังปิ้วเลยอันนี้ส่วนมากคุณเป็นสมการสูต เป็นท่าตนะ้องแปลกนะเพรถ้าถ้ากันไล่เราจะเทศให้ใเม็ดตัวเหนือนี่เราห้ามใหอัดเทพท้าก็ บ, บนกันห่ะถ้ากันอย่างนี้เราไม่อัดหาอมันนะมันต้องชอบมากกันน mm hmm. มันเหมือนตัไปเลยถ้าแบบแบบแบบลวกกับไปยมันมันจมมิดนตีนหัวกิเลสไม่ใช่ตีนหัวพระตีนกิเลสจมมิดลงเวนดิดแต่ท่าต้องชอบกันนะถ้าเทศกันไลนอย่างนั้นเราโอ้ยฉันจะได้ า, ดากันอย่างนี้เราไม่อัด มัว่านะมันไปบนนั่นไม่ไม่ไมาบ่นใกล้เรวกลั ว, วถูกดิเขอคอยอยู่นะ <shorter> ท่นไปบเเห็นลุงพ่อที่ไปมาคณะที่นั่นตึถวบางมากเวลาถูดเลยอาจารย์ค่ายหนีไปอันนั้นเปิดนั น, นท่าหน่อยีย พอะไรลั่นทับเราเอาอะไรไปมีเอ๊มีอะไรอยู่นั่นน่ะไเนีไม่ได้ไม่ได้แค่อยู่วัฒนธรรมแค่มาหวงแค่มาพูดถามมาจริงๆก็ไม่ได้เทสถึงอะไรนักนะพอธรรมะก็ทั่วไปล่ะแต่มันเทสมันหมนมันเล่นไปตามความจริงมานี่ไม่คำนมงอะะดประจําจินะใช ท่นไดโอทํ า, ไ ป, ทาไปโกรธให้ใครมานะท่านถึงมาลำ บ, บากที่นี่ของเราเขเคยเห็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเขา<ะ>ไม่คํานึงว่าธรรมะนั่นแหละเฉพาะอย่างนี้เอาธรรมะคือคํามบริสุทธิ์นั่ะไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวตั้งมาใสมมุติสมมุติคืออะไ ร, ร, รก็คือธาตุสเดือนเป็นเครื่องมือพิเลกก็อาศัยธาตุขันนี้เป็นเครื่องมือเฮ้ธรรมะไม่มีเครื่องมือเป็นของตัว จึงต้องมาใช้่ า, ารั่นและมือราแสดงออกมากําลังของจิตกําลังของธรรมนั้นจะเป็นยังไงก็ตามแต่ไปโดยลาพังไม่ได้เป็นเครื่องแสดงออกนะก็ต้องมาใช้เครื่องมือนี่เป็นเครื่องแสดงออกใช่ไหมน่ะอาสารลังกายเครืบบ่องแสดงออกที่มือธรรมะนั้นหมุนอะนี่เครื่องมือที่สแสดงออกมันจะเป็นลักษณะของความโกรธความอะไรที่เขาเคยยินกันเขก็ว่าแต่อันมันเป็นโยชนไปหมดใช่ไหมละ่ะนั่นแหละความจริงก็คือว่ามาใช้เครื่อนนมยยขขงมือแบบนี้คือธรรมะนั้นไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวที่ออกย ถ้าว่าธรรมะนันมีเครื่องมือเป็นของตัวท้าแล้วเราจะจรวดเราเทียมมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วทันเหรออีกสักงห้าจรวจก็ปลายถึงมันจะไม่ทันอันนี้เลยอ่าเขาอยาีเรียนเนี่ยอความรวดเร็วความอะไรก็ตามอจรวจที่เขายิงขึ้นไปถูกพระจันทร์นั้นอ่ะว่าเขาว่าเร็วที่สุดแล้วเอาห้าเครื่องไปตามก็ไม่ทันนะทันธรรมชาตินั่นนะ ฮะสาาฮะไงลงตบใหญ่เตี้ที่สุดแข็งแรามนาฬิกาดีนาทีตมกำลังกินมันสุดเร็วนึ มันจะหาลอืมอ <À. S 2> ืมจะบอกอืมคุณเ็นคุณคนเ็อืมควรเบายน่ห้นคจะเงินให้เหลื้จะบอกให้าเรียอานะาก็อกว่าอ่ามดูไปดูอรอา เค่เคยซื k. K. K. K. K. ้อข้าวกันทีนึเดียวทำงาต้องมีข้าวมันซื้อข้าเราเป็นข้าวต่างเราไปใช้ใ่าวต่างซื้อมาทั้งคนเดียวเลยกันไม่แน่นกำพูดกันไม่แน่นดังเฮ้ยตุ้งวัวลายรอเฮ้ยขาเลยมันไม่ถืว่ามึนเลยน ขง่ามเอน้าวป่าวมัพูกงเงิมาอย่า้วแล้วก็นแสขท่านอยู่นสจะเข้าได้ก yes. ับข้าวป่านะมันโกงเริมาณยนี้ท่านเห็น้ากนถามมาใพูมใกคือกบเกท่านท่านดหอรอาียอข้องนกนะัอนาว่า้คนแรกบอกคือเป็นทเตือนที่ข้า่ ม่ได้ที่อยู่ไม่ได้หยุดนะตทษปับกันเขามาขังตั้งแต่ข้าบปักถามมาตั้งต่ไปกงไปกงมมาเรื่องรู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งนพิให้อะไรเราั่านจะคือเ ท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านในตอนนี้ท่านอยู่ท่านวัดจตุพุมท่านการมั่นท่านเองแล้วก็ท่านเดินมาฟังอว่างจากท่านนอุบายันด้าน้านันด คือท่ากิดทานแล้วท่านทกท่านกลัมาสาม้นลยึน็ที่เต็ั้งท่านเนใหญ่เที่ที่ี่ลูกเอะามาไม่มีบ้านท่านบอกตะกอนท่านข้างๆกับารลด้วยเขาตะกอนนะข้างคลองอ่ะทนี้จะป่าหวานั่นแหละอือเดินมาแตงโเดินมาลุยเห แล้มีบ้านโคนเนาะออืมอมม่างาน้านท่าบอกว่าแบบนี้แบว่าวัดนอกระดองวัดในอ่าอ่าไม่ม <là> ีบ้านแต่ก่อนจำหลอไม่มีบ้านนาะ เดอนวัดร้วทงที่นี่ีนี่าต้องทิ้ที่น่แล้วเดินมไม่มีบ้างค้นที่ข้างรม่ไแถวข้างน้นอะไรนี่จะตาวานคห ท่นปวดอยนเป็นท่อนปนนขอรบมากท่านขอรบมท่าัมให้รบชปนะดูกในพักก่อนกันแล้ก็จะตามตุ่ม โอ้ยอย่าคุณว่าจะนักแข่งกันเลยอาจะมาเวทีไม่เอาไม่ยอมรับไม่เอาไม่ยมร อ๋อมากกว่าการเทศใช่หมเถอะเออเข้าใจว่าเราจะห้มาเราะอาจจะไม่ไม่จะมงกลัวการขึ้นเรอไม่เอาอพรนัน่มากกาออย่าง้นความดีะครับอไอ้่ะได้ครับ